วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบสี่เมษายสองพันห้าร้อยยี่สิบแปการปฏิบัติธรรมมันมีหลายวิธีคุณสายแต่ที่ผมทำมามันมันทำความสงบให้เราเราเลยไม่มีปัญญาบางอยา่างอย่างที่ผมเคยทำมา พุโทโผมก็เคยทำมานับหนึ่งสองสามเป็นตัวเลขผมก็ทำมาแล้วเกิดสัมม า, าร拉หังพองยุบอาณาปานาสติเหล่านี้ผมทำมาทุกวิธีผมต้องการความสงบแต่ผมไม่รู้ว่าความสงบนั้นมันมีหลายอย่างผมไม่รู้แตผ่ผมไปทำผมอยากให้มันสงบ นั่งภาวนาหรือโมิก ร, รมว่าอย่างนั้นก็ได้วิธีคุตโธก็าตามวิธีนักหนึ่งสองสามเป็นตัวเลขก็าตามหรือสัมมาอาลังพองยุคอาณาปานาสตินี่เข้าใจว่ามันเป็นทันเดียวกันเพราะมันเกี่ยวข้องเรื่องลมหายใจทั้งหมดเอาลมหายใจเป็นอารมณ์แต่ทา อย่างนั้นก็สงบจริงแต่มันไม่ใช่สงบคือมันสงบคือมันสงบแบบไม่รู้ว่าจะนั้นก็ได้ความจริงที่เราไปบำเพ็ญดูลมหายใจมันสงบจริงแต่มันไม่มีปัญญาสงบแบบนี้แบบว่าสงบใต้โมหะสงบแบบไม่รู้เอาไปแทรกกับการกับงานอะไรไม่ได้เมื่ออยู่คนเดียวสงบเมื่อไปเข้ากับสังคมแล้วไม่สงบ คนนั่นพูดขึ้นมาคนนี้พูดขึ้นมาพอใจไม่พอใจบางครัง้งบางคราวนั่งไม่ติดเลยเป็นอย่างนั้นมันเพึ่งตัวเองไม่ได้จริงๆมสงบแบบนั้นต่อมาผมมารู้สึกจับขวมเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มันรู้การเคลื่อนไหวทั้งรูปกายก็ให้รู้และจิตใจมันนึกก็ให้ ควสงบนี่มีอยู่สองอย่างเมื่อมาจับควมรู้สึกควมนึกคิดให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจกับความคิดอันหนึ่งและการเคลื่อนไหวให้รู้ให้เข้าใจสภาพหรือภาวะของรูป ก, กายเคลื่อนไหวก็ให้รู้ให้เข้าใจเมื่อผมมาเข้าใจเรื่องนี้คือเข้าใจเรื่องการเคลื่อนไหวของ ลูกกายเส้นกำมือเหยียดมือพลิกมือขึ้นขวมมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงท้ายเอียงขัวก้มเงยพิกตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกนึกคิดให้มีสติเข้าไปรู้ทุกอิริยาบทเหล่านี้แหละวิธีนี้มันเป็นวิธีทำให้เกิดปัญญาความจริงสงบ สงบเหล่านี้มันสงบเพราะปัญญาไม่ใช่ไปสงบเพราะคนไม่รู้ในขณะนี้เนี่ยพวกเราอยู่ด้วยกันหลายคนความโกดธควมโลกไม่ค่อยมีแต่หลงอาจจะมีบางคนบางคนอาจจะมีสติควบคุมกายวาจาหรือจิตใจนึกคิดได้คนสงบแบบนี้มันมันไม่ใช่ไปนั่งสงบคือมันสงบ เพราะปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงทำลายโมหะได้คำว่าโมหะโมหะในใครใครก็พูดได้แต่ว่าในขณะที่เราโกรธเราโลภเราดีใจเสียใจในขณะนั้นเวลานั้นเรามีโมหะถ้าหากเราไม่มีโมหะแล้วใครจะพูดอย่างไรก็าตามเราจะไม่มีดีใจไม่มีเสียใจเพราะเรามองถึงสภาพหรภ า, ภาวะของจิตใจ ว่าทำมารมเกิดกับใจนั่นเองการจะทําแบบนี้ใครทําก็ได้ทําอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ใช่จะมีครูมีอาจารย์มาสอนยิงจะทําได้ไม่ใช่อย่างนั้นมีครูมีอาจารย์สอนก็ดีไม่มีครูไม่มีอาจารย์สอนก็ดีเพราะครูจริงๆนั้นมันอยู่ที่ตัวเราพ่อแม่คนเฒ่าคนแก่เคยสอนเอาไว้ว่าจงทําดีจงทําดี ให้ดีมีเกิดขึ้นเป็นที่พึ่งได้แค่เราไม่รู้แต่พูดได้คําว่าจงทําดีจงทําดีให้ดีมีเกิดขึ้นเป็นที่พึ่งได้ก็คือเรามีสติรู้สึกตัวตื่นตัวโดยวิธีใดก็รู้สึกตัวตื่นตัวนี่แหละคือแบบการทําดีคํำพูดคํานี้มันไปนตร ง, งกับคํำพูดของพระพุทธเจ้าว่าถ้าหาก มีภิกษุหรืออุบาสกอุบาสิสกาอยู่โดยชอบแล้วมรรคผลนิพพานจะไม่ว่างจากโลกนี้<ช>หรือหากว่าภิกษุอุบาสกอุบาสิกาอยู่โดยชอบแล้วแม้พระอรหันต์ก็จะไม่ว่างจากโลกนี้เห็นไหมเนี่แต่คำพูดคำนี้กับเทพบุรีเจ้าสอนว่า หากว่ามีคนถูโดยสอบแล้วพระอรหันต์จะไม่ว่างจากโลกนี้หรือมักผลนี่ผ่านก็จะไม่ว่างจากโลกนี้มันเข้ากันได้มันเป็นเนื้อความอันเดียวกันกับคนโบราณสอนว่าจงทําดีจงทําดีให้ดีมีเกิดขึ้นเป็นที่พึ่งได้พึ่งได้จริงๆคนใดมีสติมีสมาธิมีปัญญารู้สึกตัวอยู่เสมออันนี้พึ่งได้จริงๆ การพูดนี้ไม่ใช่อวดดีว่าตัวเป็นผู้มีมรรคผลหรือว่าอวดดีเป็นผู้รู้ธรรมะหรือบางคนอาจจะหาเรื่องว่าเป็นพระอรหันต์อันนั้นเราไม่ไม่ต้องพูดถึงเพราะเราไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องเป็นอะไรทั้งหมดเลยขอแต่ว่าเราทำการทำงานโดยไม่มีทุกข์ดูหนือโลกได้ ก็พอแล้วคําว่าอยู่เหนือโลกไม่ใช่แต่อยู่บนสันฟ้าคืออยู่เหนืออารมณ์นี่เองเมืม่อผมรู้อันนี้แหละความสงบมันมีมันไม่ใช่เป็นนั่งสงบคือมันสงบจากอารมณ์เช่นความมีรากมียศหรือสนเสริญนินทาทุกสุขถึงจะเสื่อมรากเสื่อมยตก็ต่างมันไม่มีวิตกกังวล เพราะามันเห็นสภาพภาวะจิตใจของตัวเองจริงๆอันนี้ความสมบูแบบนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่ทุกข์เลยเรื่องความสรเสริญเนินทาหรือลาดยศเสื่อมลาดเสื่อนยศเออเสื่อมลาดเสื่อมยศทุกขสุขเนี่ยมันเป็นธรรมดาของปุถุชนทั่วไปและคนที่มีปัญญาก็มองเห็นสิ่งนี้เหมือนกันแต่คนที่ไม่มีปัญญาไม่มองเห็นเลยสิ่งเหล่านี้ พระพุทธเจ้าท่านกบย่าแล้วย่าอีกหน่อยจงมีสติอยู่โดยชอบท่านกบพูดอย่างนี้แต่พวกเราก็ถือว่าเรามีสติแต่สติที่เราทำการทำงาน อ, นอื่นๆนั้นจริงอยู่แต่สติตัวรูจิตใจตัวชีวิตหรือความคิดมันนึกมันคิดเนีไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ผมเม mm ื hmm. ่อผมมารู้เรื่องนี้แหละผมโูมิใจเพึ่งตัวเองได้ และก็อยากให้เพื่อนมนุษย์ทุกเพศทุกวัยทุกชาติทุกภาษาจัดอยู่ระดับใดก็าตามถือศาสนาไหนก็าตามนุ่งผ้าสีอะไรก็าตามศึกษาและปฏิบัติได้ทุกคนเรื่องนี้ถ้าคนรู้คนเข้าใจเห็นจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นเราไม่ต้องการเมื่อไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นก็มีไม่ได้ ที่มันเกิดขึ้นมาคือเราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจแต่เราไม่ต้องอาการก็จริงคือเราไม่เห็นเรียกว่าโมหะขาดสติขาดจากสมาธิขาดจากปัญญาตัวสติสมาธิปัญญาที่ผมพูดเดี๋ยวนี้ในขณะนี้มันไม่ใช่เป็นสติสมาธิปัญญาอย่างที่เราเคยพูดกันเมื่อเราจเจริญสติคำว่าจเจริญสตินี่ก็ไม่เหมือนกับที่ เราทํามาแต่ก่อนคําว่าเจริญก็แปลว่าทําให้มากคําว่าสติก็หมายถึงความรู้สึกคําว่าสมาธิก็หมายถึงตั้งใจให้รู้สึกนี่เองและตัวปัญญาก็อกรอรู้เมื่อเรามีสติมีสมาธิมีปัญญารู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมอปัญญามีมาเองแต่ปัญญาเรื่องนี้ไม่ใช่จะปัญญาจะไปแก้ปัญหาของคนทั่วไปหรือ ไม่ใช่จะเป็นปัญญาเป็นนับเม็ดหินเม็ดทรายใบไ ม, ไม้ในป่าไม่ใช่เป็นปัญญาอย่างนั้นคือปัญญามันแก้ทุกนี่เองไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นภายในจิตใจนี่เองแต่ก่อนผมเข้าใจว่าผมโกรธผมโลภผมหลงนี่มันมีประจำจิตใจของเราทุกคนผมเข้าใจอย่างนั้นแต่ก่อนผมเข้าใจว่านอกจากพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าต้องมีเหมือนกันทุกคนผมเข้าใจอย่างนั้น ความจริงแล้วมันเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ตามพระรอรหันต์ก็ตามหรือผู้ทุกชนคนธรรมดาอย่างเราๆนี่ก็ตามถ้าหากมีสติมีสมาธิมีปัญญามองสภาพหรือภาวะของจิตใจเราอยู่เสมอแล้วความโกรธความโลภความหลงไม่มีรับรองได้เรื่องนี้คนเราเมื่อไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีห ล, ลงแล้ว ทำการทำงานพูดคิดอะไรก็สบายไม่มีทุกข์เลยทุกข์ในทีน่นี้ไม่ได้หมายถึงทุกข์ไม่มีเงินหรือไม่มีเพื่อนหรือไม่มีงานทําไม่ได้หมายถึงอันนั้นคือทุกข์ในที่นี้คือว่าทุกข์ขมดีใจเสียใจในี่เองที่ผมพูดคือไม่ต้องให้มันมีสิ่งเหล่านี้ความจริงสิ่งเหล่านี้มันไม่มีอยู่แล้วเราไปเผลอและไปจับเอาสิ่งนั้นเข้ามานั้นเอง บางคนอาจจะสงสัยว่าไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงจะได้ไหมอาจจะสงสัยอย่างเต็ความจริงสิ่งเหล่านั้นไม่มีไม่มีจริงๆมันมีขึ้นมาในขนาะที่เราเผลอนั่นเองดังนั้นผู้ทุกซนคนธรรมดาอย่างเราเหานี้จึงว่าดูที่ไหนเป็นทุกข์เพราะมันเผลอตัวมันเึงนคนลืมตัวเนีย่ยคนไม่ศึกษาตัวเองนี่เองคนที่สอน ก็ไม่รู้แล้วคนปฏิบัติตามก็ไม่รู้แล้วมันจะรู้ได้อย่างไรเมื่อต้องการความสงบก็ไปนั่งหลับตาไม่ต้องการอยากเห็นอะไรหูก็ไม่อยากฟังอะไรธรรมดาคนมันมีตาสําหรับให้เราดูได้แล้วหูสําหรับให้ฟังเสียงได้ถ้าหากไม่มีตาไม่มีหูแล้วจะไปทําการทํางานอะไรได้ ที่เราเคยพูดกับตาเห็นอย่าให้มีรูปดีรูปชั่วรูปสวยรูปงามไม่ต้องมีแต่ธรรมดาตายเห็นมันก็ต้องสวยก็บอกว่าสวยดีก็บอกว่าดีเราก็ต้องมามองใจเราแต่อย่าให้มันปรุงใจเราคนนะั้นะมันสวยมันไม่สวยมันเป็นธรรมดาโลกมันต้องเป็นอย่างนั้นหูฟังเสียงก็เช่นเดียวกันเสียงเพราะเสียงไม่เพราะเราก็พูดได้เพราะโลกมันเป็นอย่างนั้น แต่เรามามองจิตใจเราตาเห็นมันส้มก็ไปถึงจิตใจหูฟังเสียงมันสเข้าไปถึงจิตใจและจมูกได้กลิ่นลิ้นได้นวดกายถูกสัมผัสอะไรอะไรทั้งหมดมันส่งเข้าไปถึงจิตใ จ, จ, ใจบบ น, นี้เราก็เลยมาจับตัวที่จิตใจคือตัวซีริกจริงๆนะี่ทีเดียวเลยก็ได้นี่แหละศึกษาความสงบยังลัดๆิอึดใจเดียว หรือคิดตาเดียวก็ได้ถ้าเรารู้จักสมุตฐานของจิตใจมันนึกมันคิดแล้วสมมติให้ฝักทีแรกน้ำสีมีคุณภาพร้อยเปนและเต็มกระป๋องจะเป็นสีดำสีแดงก็าตามถ้าไปย้อมผ้าขาวผ้าขาวจะไปตามสีเนื้อของสีในทั้งหมดเลยบัด น, นี้เมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจสมุติฐานของผมคิด หรือต้นเหตุหรือต้นตอของผคมคิดนี่ <c oughs> น้ำสีนั่นมันจะจางไปหรือน้ำสีนั้นมันไม้แต่ปริมาณมันร้อยปริมาณมันเต็มแต่คุณภาพไม่มีเอาไปย้อมผ้าขาวสีดำสีแดงก็าตามมันจะไม่ติดผ้าจริงๆนี่เป็นวิธีที่ทำง้ายที่สุดคนเรามันไม่เข้าใจเรื่องของคิดนี่แหละคือมันรู้คิดรู้แล้วมันเข้าไปในของคิด มันเลยรู้เป็นเรื่องเป็นราวคิดโน้นคิดนี้ดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจเนี่ยมันคิดอะเรียยวมันคิดมันรู้คิดมันไม่ใช่เห็นคิดอันนั้นถ้าเราเห็นคิดมันคิดขึ้นมาผมคิดมันหยุดมันคิดขึ้นมาเราเห็นมันหยุดมันไม่ปุงเป็นเรื่องเป็นราวไปแต่เมื่อเราต้องการคิดจะไปทําการทํางานอะไรต่างๆเราต้องคิดขึ้นมาอันนั้นเรียกว่า คิดด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาจริงจริความคิดอันนี้มันปราศจากโมหะและปราสจากโทสะปราศจาก โ, าากโลภะมันดูด้วยสติดูด้วยสมาธิดูด้วยปัญญาทุกคนทําได้จะเป็นเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามหรือเป็นพระสงฆ์องค์เณงก็ตามโนสาตว์ไหนภาษาใดาถือาศาสนาไหนก็ทําได้เรื่องนี้เพราะ มันมีจิตมีใจเหมือนกันทุกศาต์ทุกภาษาคำสอนใดๆก็ตามจะเป็นลทัทธิใดาศาสนาไหนก็ตามถ้าหากไม่มาสอนเรื่องจิตเรื่องใจแล้วคำสอนเหล่านั้นไม่ตกไม่มีความสงบสงบไม่ได้เพราะว่าไปมีพิธีกรรมต่างๆแต่ส่วนเรื่องจิตเรื่องใจไม่ต้องมีวิธีกรรมอะไรทั้งหมด ดังนั้นคำสอนของพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นสากดไม่กำหนดไม่มีจากัดจะเป็นคนชาตใดภาษาใดนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้ทนะํานั้นคำสอนที่สอนกันให้ละชั่วทำดีตั้งอยู่ในความดีอันนั้นมีสอนทั่วไปทุกชาตทุกภาษาทุกประเทศทุกนิกายเรื่องนี้ สาวพุก็สอนแต่ว่าสอนให้มันเข้ากับสังคมเท่านั้นเองแต่เมื่อสาวพุธยังไม่สอนเรื่องจิตใจยังพูดกันเรื่องธรรมดายังไม่ให้ทําลายคมโกธรมโลภมหลงยังไม่จัดการกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้จะถือว่าสาวพุธก็ได้แต่เป็นด้วยสมโนขัวเท่านั้นและตรงกันข้าม จะเป็นศาสนาอื่นก็ตามหรือว่าคิดอิสลามก็ตามถ้าหากว่าเขามีวิธีสอนเรื่องทำลายความหลงผิดเส้นโมหะโทสะโลภะได้ก็ดีเหมือนกันอันนั้นผมเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั่ น, นสอนให้คนทำลายโทสะโมหะโลภะไม่ให้เกิดขึ้นภายในใจิตในใจของตัวเอง เพราะสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วมันเป็นทุกข์มันเดือดร้อนสาวพุธให้ทานรักษาศีลสร้างโบสถ์สร้างศาลาการประเรียนสร้างอะไรก็ตามแหละไปทำกรรมฐานก็ตามไปเจริญวิปัสสนาก็ตามหากว่ายังมีโกรธมีโลภมีหลงอันนั้นโกเสวายังไม่ได้ศึกษาหลักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงถ้าหากเป็น พวกถือศาสนาคิดหรือว่าศาสนาฮินดูหรือศาสนาอิสลามศาสนาไหนก็าตามแต่เขาพูดกันเรื่องไม่ให้โกรธไม่ให้โลภไม่ให้หลงเกิดขึ้นภายนาในจิตใจนั่นแหละเขาศึกษาหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องใครๆก็ศึกษาได้เรื่องนี้มันเป็นสาคัเพราะทุกคนไม่ต้องการสิ่งนี้เรื่องนี้ก่อนผมที่จะมีความสามารถพูดอย่างนี้ผมได้นําเด็ก จังหวัดไซยาโคมมาปฏิบัติอายุ9ปีถึง13ปีหรือ12ปีนีน่ตั้งแต่9าปีเด็กน้อยเป็นเด็กผู้ชายและรุ่นที่สองมีเด็กจังหวัดเลยอายุตั้งแต่9ปีถึง10 1เอ็ปีเช่นเดียวกันเอาไปฝึกก็รู้เหมือนกันแต่สำหรับผู้ชายแต่ผู้หญิงเนี่ยไม่เคยฝึกเขาก็เลยรู้ทำเห็นทำเข้าใจทำจริง และไปตรงเอากับเที่พระพุทธเจ้าสอนกับพระวักการีว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราแม้จะจับสายจีวรของเราอยู่ก็ตามหากไม่เห็นธรรมแล้วก็ไม่เห็นเราพระพุทเจ้าสอนอย่างนั้นบัด น, นี้เด็กเรานั้นแหละผมมาฝึกเขาเขาก็ว่าเราเขาก็ว่าเขารู้ธรรมเห็นธรรมธรรมะคือตัวของเขานนัเองเขาว่าอย่างนั้นทําดีพูดดีคิดดีก็เป็นธรรมะ ทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วก็เป็นอาธรรมแต่เป็นธรรมะเหมือนกันจะเป็นอาธรรมทาไม่ดีดังนั้นธรรมะจีวะไม่ต้องการเห็นสีแสงผีเทวดานรกสวรรค์เขาเห็นตัวเขาการทําการพูดการคิดนั่นแหละเขาว่าเขาเห็นธรรมแต่มันมีวิธีการให้เขาทำเด็กน้อยชุดนั้นผมฝึกวิธีการให้เขาคือวิธีนั่งวิธีนอน วิธีจืดวิธีเดินแล้วทำจังหวะให้เขาเขาเรียนเป็นแล้วก็ให้เขาทำพ่อแรกรู้เรื่องรูปน้ำนี่ไม่เกินห้าวันเด็กเด็กเนี่ยรู้ทุกคนรับรองได้จริงๆเรื่องนี้แต่ว่าถ้าหากเป็นคนแก่นั้นก็ต้องสิบกว่าวันจึงรู้บางคนบางคนก็ห้าวันหกวันก็รู้แต่เด็กสองรุ่นนั้นไม่เกินห้าวันสักคนเดียวบ น, นี้ตอนที่ฝึกขัดดูจิตดูใจแล้วก็ รู้เร็วรู้เร็วกว่าคนแก่อันนี้เป็นวิธีฝึกคือพลิกมือขึ้นให้รู้สึกตัวถามเขาเองรู้สึกไหมเขาว่ารู้ข้อมือลงให้รู้สึกตัวรู้สึกไหมเขาบอกว่ารู้แล้นก็เลยให้เป็นจังหวะแต่เมื่อเขารู้สึกขนาดคนอื่นจะรู้ไหมถ้าไม่ทาไม่รู้เขาว่าอย่างเพราะว่าความรู้สึกตัวจากธรรมชาติจิตใจนั่นมันต้องทำให้รู้จริง เขาว่าอย่างนั้นอันนี้ทําไม่เกินห้าวันรู้จริงๆเรื่องรูปน้ําเมื่อรู้รูปน้ําแล้วเขาก็หมดคุกหมดสงสัยเรื่องผีเทวดานรกสวรรค์บาปบุญเขาก็ไม่มีทุกข์เพราสิ่งเหล่านั้นเขาว่าทําดีก็ต้องดีจึงจะสมกับจงทําดีให้ดีมีเกิดขึ้นเป็นทีเพิ่งได้เพิ่งได้จริงๆเรื่องนี้แต่ รู้เรื่องนี้เราก็มาสอนเรื่ จ, รจิตใจสอนให้ดูจิตใจก็ต้องมีวิธีเหมือนกันแต่ให้ทำำหําจังหวะเหมือนเดิมเน่ยจะทําให้มันเร็วเข้าหรือบางทีก็ทําให้มันช้าลงเมื่อมันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเรื่องนี้ก็รู้ได้เหมือนกันแต่ตอนเรื่องนี้รู้สมมติวันนี้ตอนวิธีทําทางจิตนี่ต้องตั้งใจฟังแนะราต้องตั้งใจทํา คอยดูจิตใจที่มันนึกมันคิดอะไรขึ้นมาให้เห็นให้รู้แต่ทําจังหวะนี่แหละทาอยู่ดังนั้นแหละทีแรกมันคิดขึ้นมาเราไม่ไม่รู้ไม่เห็นแต่รู้มันเข้าไปในความคิดทําไปบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็เลยเห็นโอ้มันคิดอันนี้เมื่อมันคิดเราเห็นมันก็เลยตัดความคิดได้ตอนนี้แหละที่จะไปตัดขมโกรดขมโลภขมหลงได้รับรองได้จริงๆเรื่องนี้ อันนี้สงบเพราะการเห็นแจ้งเด็กเด็กรุ่นนั้นเมื่อฝุดดูคมคิดนี่ไม่เกินยี่สิบปดวันเขารู้ได้เขาว่าเขาเป็นพระได้จริงๆแต่อายุเพียงสิบสามปีเท่านั้นเองแต่ยังสูงนะยังตํำตั้งแต่อายุเก้าปีขึ้นไปถึงอายุสิบสามปีไม่เกินยี่สิบแปดวันรู้ทุกคนบางคนสิบห้าวันรู้ บางคนยี่สิบวันรู้บางคนกว่ายี่สิบห้าวันรู้คนนี้ผมเคยฝึกมาแล้วเรื่องเด็กแต่ผู้ใหญ่นั้นต้องเดือนหนสองเดือนสามเดือนจึงรู้เด็กๆเกนี่ยเขาพูดจริงทําจริงแล้วไม่เกินไม่เกินยี่สิบแปดวันแม่คนเดียวแต่ที่ผมฝึกมาแล้วจํานวนเด็กครั้งแรกประมาณสิบกว่าคนครั้งที่สองก็สิบกว่าคนเช่นเดียวกันแต่มีแต่เด็กผู้ชายรนร้วน ผมไปฝุดทดลองดูแล้วจ้า น, นจวดการทำอย่างนี้เป็นเหมือนกันทุกคนผมทดลองมาแล้วแต่อยากลองกับผู้หญิงแบบนี้อยากให้ผู้หญิงลองทำดูธรรมะอันนี้จึงไม่เป็นของไข่สมนิขิขสิทธิ์ไม่ได้แต่ให้เขารู้วิธีทำเท่านั้นเองทีนี้ผมกำลังรับเด็กมาจากกรุงเทพทีแรกรับมาห้าคนโูมาเมื่อวันที่ กัที่เจ็ดนี่แหะก็กับเคืนวันที่เก้าพวกนั้นสู้ไม่ไหวแต่ยังสู้อยู่ได้สามคนมือเด็กผู้หญิงสองคนเด็กผู้ชายหนึ่งคนแต่ฟังดูแล้วเมื่อมาปฏิบัติทีแรกเดินทางมาจากกรุงเทพวันที่สี่มาถึงที่นี่วันที่สี่เดินทางมามาวันที่สามตอนเย็นมาถึงวันที่สี่ตอนเช้ามาถึงวันที่ห้า ทำกันจริงจังเขาก็รู้ลูกนานแต่ได้แนะนวขึ้นมาวันนี้ให้เขามาทำทางจิตวันที่เก้าวันที่สิเขารู้ทุกคนลูกความคิดเขาแต่ยังทำลายโทสะโมหะโลภยังไม่ปรากฏเขายังไม่ไม่ได้พูดให้ฟังเลือนี้เขาว่าเขารู้ความคิดดีแล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าผมก็พยายามแนะนำเขาให้เขาดูความคิดดูมากๆ เรายิ่งดูมันยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งรู้ก็ยิ่งสนุกคือทำการทำงานด้วยความสนุกควาไม่มีทุกข์เพราะสนุกอะไรสนุกดูความคิดสนุกดูการเคลื่อนไหวมันคิดขึ้นมามันก็สนุกมันคิดขึ้นมาล้วก็ยิ่งพอใจในการกระทำของเราอันนี้เข้าใจว่าคงจะไม่นานเขาคงจะรู้ไปถึงต้นต่อของความคิดจิต แต่การกระทำเรื่องนี้ความจริงแล้วผมอยากให้คนต่างทราบด้วยตางภาษาถ้าจะมาฝึกจริงๆอ่ะต้องหัดให้รู้ภาษาไทยบางเล็กน้อยเพราะว่าผมพูดภาษาไทยไม่ภาษาอื่นๆไม่เป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรผมพูดไม่ได้ทางนั้นแต่ผมพูดภาษาไทยนี่เนี่แต่ ก็ยังไม่ถูกสัตแสนอักคระพอัญชนะเท่าไหร่แต่ผมเป็นคนที่ขาดการศึกษาการเขียนการอ่านจึงไม่เข้าใจแต่ว่าการพูดเรื่องทําลายโทสะโมหะโลภานี่ผมเข้าใจรับรองได้ใครจะว่ายังไงผมไม่เชื่อเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสงบเรื่องนี้เป็นเรื่องสติเรื่องนี้เป็นเรื่องเห็นแจ้งจริงๆเรื่องนี้ การรู้ภาษาไทยก็ไม่รู้มากเพียงแต่ผมถามให้รู้จักว่าเป็นยังไงไม่เป็นอะไรก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหรือว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เจ็บหัวหรือว่าวินหัวคืนไส้ถามให้รู้แล้วก็เรื่องรูปนามให้รู้รูปนามรูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลกและทุกขังอนิจจังอนัตตาสมมุติศาสนาพุทธศาสนาบาบุญ อันนี้ให้ดูและก็ว่าเรื่องจิตใจมันนึกมันคิดให้ดูเท่านี้ก็พอแล้วเรื่องจิตใจนึกคิดนี่มันสําคัญพราะพูดแล้วมันไม่มีตัวไม่มีตนเราแนะแนวให้เขาดูความคิดอันนี้สําคัญพราะจะสอนให้คนทุกคนไม่ให้มีความโกรธไม่ให้มีความโลดไม่ให้มีความหลงให้เขาตั้งอยู่ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาจริงๆ การพูดพวกนี้ก็สมควรแล้วคุณตาเพราะว่าร้อนท้องขึ้นมาเราจะสั่นอาหารจากนี้เกี่ยวหมดยกไปเดีเ่ยวนี้